269. อับปปตินิสัก ข, ขะอุเขปนิยกรรมะปฏิปัสสัธิกถาว่าด้วยความขัดแย้งในการระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สลักทิฏฐิบาป 450. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุสงลงอุเขปนิยกรรม เพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยื่อยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุกเขปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงอุกเขปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยื่อยิ่ง กลับตัวได้ขอระงับอุกขปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปเอาล่ะพวกเราจะระงับอุกเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับอุกเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรม ระงับอุกเคปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับอุเคปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูประงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกัน โดยทมปฏิรูประงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฐิบาศแก่ภิกษุรูปนั้นสง์ผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวแย้งว่ากรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมกรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมกรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรมกรรมแบ่งพวกโดยทมปฏิรูป กรรมพร้อมเพรียงกันโดยทำรรปฏิรูปกรรมไม่เป็นอันธทำกรรมทําไม่ดีต้องทําใหม่บรรดาภิกษุในที่ประชุมนั้นพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมพร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูปและพวกที่กล่าวอย่างนี้ว่ากรรมไม่เป็นอันธรรมกรรมทําไม่ดีต้องทําใหม่ จัดเป็นฝ่ายธรรมวาทีในที่ประชุมนั้น